แง่คิดจากหนังตอนเมืองไม่มีสีบควาาาาาาามมมนนนนีีนีี้้้้้กกรรรรเเเฉลยยยืืออออหหหทท่่จจะใใผผููฟังสชภพ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 หมดสิ้นความยึดมั่นถือมั่นเสีแล้วบทความโดยโชลนินจากนิตยสาราธรรมะใกล้ตัวฉบับที่ห5เสียงอ่านโดย 做错。